เรื่องเก่าของสังขารจะค่อยเปลี่ยนอยู่นั่นเองเข้ามาเห็นไหมเาข้าเข้าใจว่าเป็นเรื่องไหมถ้ามีทแท่มันมวนเก่าของบ้านละมวนของสังขารดินน้ำไฟร่มก็เป็นเรื่องเก่าข้อมุนเวียนเปลี่ยนไปมากมันเรื่องเก่าตากับมันนวยเก่าหูกับมันอันเก่าจมูกขับป็นอันเก่า เลี้ยนก็แม่อันเกา่ากายก็แม่อันเกา่าใจก็แม่อันเกา่าตาหูจ ม, มูกเลี้ยกายใจอันนี้ย่ในวงแขนของผู้ไรเมื่อได้รู้อยู่วงแขนของผู้ไรเป็นเสื้อผ้ามาทำที่ซัดทั้งหลายผุ่งแตงเขินมากแล้วก็เป็นรูปเป็นหน้าเขินมากแล้วก็ว่าพ้นจาวเแตกสลายไป ความสวยอารมณ์ท <rude S 2> ุกๆอุเบกขาอันเดียวกันว่ามีแนวไม้ชักแนวมีแต่แนวเก่าเห็นอยู่เสมอนี่ความนึกความคิดก <i> ับเป็นของเก่าว่ามันของไมมาจะใช้เนก็นึกนั่นเนื้อก็นึกนี่นึกหาความสุขความมั่นื่อมันบาเห็นมันกับนึกก็แค่ละพระพุทธเจ้าย้ำว่าความสุขเป็นเครื่องสัญจรของโลก ขันเนื้ไปทั้งบุญก็เป็นกุศลขเนึกไปทั้งบามก็เป็นอ ก, กุศลวนเวียนอยู่ในวัฏฏะทุกสารอะนรแล้ว ม, มีข้างหนา้าข้างหลังควบวนเวียนผลของผลลัพธ์ของมันมาอย่างก็คือทุกข์เกล้าดีนี้เองแต่เมันค่อยชินแล้วก็เลยสู่ไปคยชินทุกข์ละและถือเป็นของธรรมดา ก็เป็นของธรรมดาทุกข์กันเองล่ะว่ามันธรรมดาเนะธรรมดาหลงอีกสัง่งหนึ่งไธรรมดาคุณเสื่องอีกสัง่งหนึ่งไหธรรมดาคุณเสื่องในวัตตาธรรมสารพระอนิรเจ้าทั้งร้ายเป็นธรรมดารุดพ้นไปแล้วไปเป็นตอนตอนพระทศดาวังรุดรุดพ้นเป็นธรรมดารุดพ้นไปเป็นตอนสันที่หนึง่งสันตนุ สันต้าไปอีกทักษท่าข้ามี่เเป็นธรรมดาอนุพลไปอีกอันหน้าข้ามี่ก็เป็นธรรมดาอันว่ามโรภไมโกรธพระอรหันต์กับธรรมดาอันว่วม่โรภไม่โกรธไม่หลงตามขนานลงว่าเป็นธรรมดาสังสารถุกเป็นธรรมชาติสังสารทุกล่องว่ายวันจะเดินออกไร่เดินว่นเดินเวียนในขอบกระดง ขอบกระดดงเพิ่มยังคือความหลงสะคลองที่ยังยั่งยึดถือปรถือยึดถือความปรพฤติปฏิวัติเจ้าของยังมาถือยังหลูดยังค้ำด้วยผู้ถืงพ่ะพูดพระธรรมพระสงค์นาเดียวเดียวก็มีความสงสัยในเจ้าของแกับผู้นั้นเพราะหลุดค้ำผู้นั้นผู้นั้นไม่นาที่สิบเพิ่มพูนกุศลพ้นบุญเจ้าของ เพิ่มพูนตอนไหนกับว่าสงสัยพ่อเพิ่มพูนตอนพ่อวนหน้ากับว่าสงสัยเพิ่มพูนตอนไหนท่านนักษาศนลพ่อกับว่า่สงสัยคนตามก่อนเรว่ากกัต่ตอสงสัยแหละอันไหนนอ้ออันไหนลอยอยู่แหงหาแหงหาขัดเสียงโบเห็นขันผู้เห็นแหละกับว่าได้หาเห็นยังไงสติ ป, ปัญญาเห็นยังได้ชิดได้น ใ, น ใ, นใจของเฮานี่ มีหนาทีเกิดเพรแห้งเมื่อนาทีเก็บเพราะแห้งเมื่อนาทีตายเพราะแห้งมีนาทีโรคโกดหลงเพราแห้งใจถึงทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเก็บทั้งตายทั้งโลคทั้งโกดทั้งหลงทั้งป่าถนาบารยสมวังบาลนีสิใจถึงทั้งปฏิบัติเพื่อสิออกจากสิ่งเหล่านี้มีอิสระเกิดแก่เก็บตายเพระแห้ง่ะบาลนี้สิมีอิสระไม่อยากว่าเกิดมาแก่มาเก็บมาตายว่าเนี่ยสิมีอิทธิพลทั้งนั้นบาลเนี่ย สีเลีอยนอิทธิพลทั้งบ้ามาเกิดแก้แคบตายว่าเนี่ยพอเกิดแก้แกคบตายสี่เลี่ยนอิทธิพลมาพังแห้งแล้วอยู่ไปทะเลแห้งเห็นอุปสรรคแห้งเพิ่มข้มเบือ่ตรตรอหน่ายบรรดาขงสารเขา่าตะระมือ่อตะระเวน่นซีวิกับนับมือสวยมือแหลมเขา่านับมือเป็นธรรมเทศนาเขา่อใกล้เขา่าใกเขา่าจนมุ่มเขา่าจนมุ่มเขา่า จนมุมเขาอะไรแห้งเป็นธรรมเทเสนาอันแก่กา่มยักมาทองเที่ยวในวัตจาสงสารเพราะถือว่ามาทองเที่ยวนั่นแล้วเป็นของเก่าว่าอะเป็นของใหม่ที่เคยได้เห็นได้ยินและดมนถือกินไดะถือกรดไดะถื อ, ถอโพธิะเย็นห่อนอ้อนค้ง ความเนือควาเข็ดพระพุทธเจ้าสอนให้เบื่อให้นายเมืสอนให้ไายความเมาบ่ให้เป็นคนดื่อสอนให้เห็นโทษในวาจาท้องสารยางเต็มทีเลยเสมือนาของไส้พิจารณาความเกิดจะเห็นเสมือนาของไส้พิจารณาความแก่หเห็นเสมือนาของไส้พิจารณาดิน ควเก็บหายเสมอหนาของไฟพิจารณาความตายหาเสมอหนาของ่ส้พิจารณาความมีอกพัดผ่าหาเสมอหนาของไส้พิจารณาความปรารถนาบ่สมบังิหาเสมอหนาของไส้พิจารณาดินนามไฟร่มหาเสมอหนาของไส้เรียบมัสส่องสองสรทัยผู้ใดไปเป็นผู้ ไปลงดินลงน้ำลงไฟลงลมกับแม่นกิเลสตัวเดียวไปหลงดินแต่ว่าเป็นดินน้ำแต่ว่าเป็นน้ำไฟแต่ว่าเป็นไฟลมแต่ว่าเป็นลมโมหีนไหนขี้ร่ำยังยืนจักแนวเกิดว่าเฝ้านาแม่แนเหน็นนายเจ้าร้ายศาสตร์ร้ายพบแล้วผลที่สุดหลัดไปกับแเมือเ่อแปบงแสงเห็นได้อย่าง มาออกเลี้ยงออกไลยในวัตาทงสารผลชุดท่ายเขามีจะตายแวบวบมื่อแปงแซงไปทำการมัดวัตถุนิยมเอาไปนั่งอไไรเอาไปนํางได้แต่อุดมคติคือคิดใจจิตใจกับธรรมะที่รู้ตามเป็นจริงในตอนใดไๆปฏิบัติตามจริงเป็นจริงแ น, น, น่ดอนนั่นลุตพ้นตามก็ไมเป็นสงสัยนี่ตามเป็นจริงในตอน น, นั้น ปัญหาก็เลยน้อยลงปัญหาบ่น่อยเพราะเหตุไดเพราะเพิ่ในวัตาุท่องสารมันหลายปัญหามันก็หลายตัวเพราะเพิ่ในวัตาุท่องสารบ่หลายปัญหามันกับ่หลายแน่เพิ่มในวัตถุนิยมเพิ่มในเพิ่มในของบ่หมันบ่เทียงว่าเป็นของมันของเทียงเพิ่มในของบ่เป็นตัวเป็นตนมาเป็นตัวเป็นตน เพิ่นในของบ่สวยบ่งามมาเป็นของสวยของงามมีตะหางกระดูกงุมยัวเต็มไปเลยของบ่สะอาดนีประการต่างๆอยู่ในสกุลน้ากายร่างกายเขาเนี่พญาคักิตรลาดนอนเฝ้าอยู่ว่ามีกระเวนล่งเกินเฝ้าตอนแรกผัดแหงหลงพญายักษิตรลาดสุบเทพโนโชยายะเปิดแผ่นบ่หลงพัน ปดออกเสมอเสมอเสมอปดความหลงออกเสมอเสมรู้เท่าตอนไหนความหลงตอนนั้นก็หายไปมาเคลื่อนมาขวบอีกหายใจออกแกเข่าเยอะเลนมันของไม่ละของเกา่าของเก่าที่ค่อยหายใจออกเข่ามาแล้วละ่ะนึกคิดเยอะเสียมันของไม่ละของเกา่าเว้าเยอะเดียวนี่ยมันของไม่ละของเกา่าพูดเยอะเดียวเนี่เหือน แต่จิตตาสังขารวิชแบบีสังขารกายสังขารของเกนะ่าเกิดคนแล้วก็แปลผวนี้จากสลายเมื่ออายุได้อำนาจของผู้ใด้องพี่กณนตามำเป็นจริงหาระวางมาไม่ได้จึงสิบโลงหาระวางมาไม่ได้จึงสิลู่ทำเป็นจริงห้าระวางมาไม่ได้จิตตัดความเพลินหาระวางมาไม่ได้ ควอ อ, ออ ว, ว, วออกเลี่ยงออกไ ล, ล่ในวัฏสงสารพระอธิเยาเจ้าออกเลี่ยงออกไล่ในทางเสลุดเจพุนมูเฮ้าออกเลี่ยงออกไล่ในทางจะผูกข้อจ้าของอยู่ในวัฏสงสารแข่งหนีแข่งเรียนกันอยู่ในนี่้มูเฮ้าแข่งกินแข่งขี่กันอยู่นี่ผู้ได้กินได้กินล้ายขี่ของไงอืยกินล้ายขี่ล้าย นอนหลายฝันหลายฝันมาแล้วฝันไปซสือเลียกปัญจหายตายฝันชิบฝันหายพระอริยเจ้าฝันฝันพระองค์เจ้าฝันเพื่อฝันผลทุกข์ในมาตาต้องสารผุนฝันมื้อเงาปล่อยทัวจักรวาลทางเบื้องขวากระหอดเวั ที่จอดออกหัวจั ก, กรวาลขอบจั ก, กรวาลแต่วันออกมือเบื้องซ้ายไหมมือเบื้องขวากับมือเบื้องนึงก็ขอบจั ก, กรวาลทั้งนึงหัวทั้งนึงกับจอดเขาจั ก, กรวาลขาทางนึงก็บจดเขาจั ก, กรวาล อ, อง์ก็ได้ตัดสินตัวเองว่าเออเราจักได้ผนทุกดาวน์ตาทุกสารจักได้เปลว่าพระเจ้าย่างเต็มที่ยยท่น เราห้าวฝันไปฝัน เ, เสียเงินเสียค้ำไปเสือเรือเสือผ้าเืือวัดเสือเบือเออเสือผ้าไปหมดหอดคนทีน่คนข่านวัมดมือหนีเป็นมือของผู้ใดเ่าไว้ผู้ใดแมนมือของผู้ใดไว้ไวป้ปจะไปจองไว้เนี่ยเวลาเวลาผู้ใดไว้ไว้จะจองไว้มีแต่ลวงไปลวงไปลวงไปลวงไปเวลาก็ดีวันก็ดีชีวิตก็ดีสุขเสียงทุกอย่ากม่แต่ลวงไปเมด ผมไม่แน่นจตังอยู่เลยว่าอยู่วัดมือก็ล่วงไปวัดมือนึกอยู่วัดมือก็ล่วงไปอยู่วัดมือเกิดอยู่วัดมือก็ล่วงไปอยู่วัดมือล่วงไปเพ่ะแกเพ่ะแก้พระตายอานิจจัตาก็เป็นของไม่เทีย่ยงทุกขตาก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวเธอจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ก็ต า, ามเธออนันตตาก็ไม่ใช่ของใครเนอ ไม่อยู่ในกำมือของใครร่วงไปต่างๆกันไม่มีอิสระจะอยู่ในกำมือของคนนั่นคนนี้ใจสัตว์ทั้งหลายก็มายึดถือเอาว่าของกูของเราของเขา่าของสัตว์ของบุคคลแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดพวกเกิดชาติโอกาโอขะโอขะคือกามความกำหนัดเป็นโอขะอันหนึ่ง คือคามญาตพโอคะโอค ะ, ะคือภพภพเป็นชื่อเกิดของสัตว์เพราะสัตว์ยังกำนัดในีพบอยู่ทิฏโถะโอคะคือทิฏฐิทิฏฐิของสัตว์ทั้งหลายความเห็นของสัตว์ทั้งหลายว่าโตเห็นถูกเห็นแมนเห็นจริงก็ไม่ยึดมาถือไว้ก็บบเป็นภพเป็นชาติอวิชโชคะโอค ะ, ะคืออวิชชาอาวิชชา อวิชชาสี่ไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในทุกขสัมุูทัยไม่รู้ในทุกขานิโรธไม่รู้ในทุกขานิโรธกามิดีปฏิปทาโมูหได้ฉินสมาธิปัญญาโมโหไในข่วมปฏิวัติออกจากวตาสองสารแล้วก็เล่โมพ่อโะใจปฏิวัติออกจากวตาสองสารยนต์นโมหันต์เขเรียกว่าอาวิชชาเหมือนกันตัญหาคือความทยาีทยรทียร์ในโลก ที่ย่านในตาหัเจ้าเล่นกายกายพวกมีทั้งทุดทั้งสินนี่เถอะสิ่งนี้นนนเป็นต่างกับว่ากรรมตันหาขัดกำลังไว้ก็เรียกว่าภวะตันหาขัดอันนั้นไม่พ่อใจก็เรียกว่าวิภาวะตันหาวนเวียนอยู่จึงสิพมีขเขินเป็นเงินคืนพวมีเงินต้นเงนินปลายอรหัตตะมักอรหัตตะผลพละ มาตัดตจึงสิรแจ้งแทงตลอดได้ร้อยทะเลหลงห่วงที่ขามทะเลหลงคือปัญญาข้าวสติท่านเหตุท่านจึงอาศัยลักเสียสสมาธิปัญญาเป็นเครื่องขามเป็นเครื่องขามทะเลหลงขามประคำไม่ได้ห้อยใจนี่ล่ะขามพ่ายนอกเขาได้ละสินแรน้ำควบปรุงแต่งจากของนี่ ตาได้เกิดตาได้เกิดตาได้เกิดเกาทุกข์บ่บเปลี่ยนเมื่อพ่อพ่อแม่ในวัฏตักงฐานนี่เมื่อพออ่อพ่อแม่ไม่จะเพื่งเมืองคัดของต้องการเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุเห็นอเน จ, จังทุกครั้งอนัตตาบรสัตธ์เคยเห็นว่าสิ่งไหนมันเป็นของโมจิร่างยั่งยืนทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้ว เกิดขึนแปลปวนและแตกสลายหาระว่างเม่ได้แล้วใช่มเธอเยอ์เทีในโลกมันกระจาย้ะได้ประตูใดอีกกรากกเดียวอยอนี่อุปมาคือปั่นน้ำใเป็นตัวอุปมาคือสายไฟเ้วก็แล่นน้ำไฟสายทานเมือเราอาศัเอ็แล่นน้ำแสงพระอาทิตย์แล่นล้ำแสงมืดแรงนันคว่ำนันคว่ำกิดเจ้าของ เพราะยังยุดบันถือบันความนึกค็คิดจะของสัตว์ทำไมจึงมีตาเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบเลียงแลดูลูกสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีหูเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงอันแพลสเนาะโซนมีเสียงร้องเพลงเป็นต้นหรือเสียงลาเป็นต้นไม่ใช่เสียงทรรมเสียงทรร ม, ม่จัดเข้าสัตว์ทั้งหลายทาไมจึงมีกลิ่น สัตว์จึงมีจมูกเพราะสัตว์ชอบดมกลิ่นกิ่นหอมเช่นดอกไม้เป็นต้นสัตว์ทำไมจึงมีลิ้นเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบเลียมรสเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวที่ถูกกับเกลือของตนสัตว์ทําลายทําไมจึงมีกายเพราะสัตว์ชอบสัมผัสกับกาย เช่นห่มผ้าเป็นต้นเช่นอาบน้ำเป็นต้นเช่นถูกของนุ่ ม, มเป็นต้นโหธะพระโพธะพระที่เป็นโทษมากก็คือโหธะพระผู้หญิงก็โพธะพระผู้ชายกระทบกันในส่วนกายสัตว์ทั้งหลายทําไมถึงมีธรรมารมถึงมีใจเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบนึกชอบชิด ส่วนท่านพุกงนไปแล้วท่านเบื่อตาท่านท่านเบื่อหูเบื่อจมูกเบื่อลิ้นเบื่อกายเบื่อใจเบื่อทั้งภายนอกและภายในด้วยท่านไม่ยึดถือว่าเราเป็นตาตาเป็นเราไม่ยึดถือว่าหูเป็นเราเราเป็นหูไม่ยึดถือว่าจมูกเป็นเราเราเป็นจมูกไม่ยึดถือว่าลิ้นเป็นเราเราเป็นลิ้น ไม่ได้ยึดถือว่ากายเป็นเราเราเป็นกายไม่ได้ยึดถือว่าใจเป็นเราเราเป็นใจเมื่อไม่ยึดถือว่าเราเป็นใจใจเป็นเราหรือมไม่ยึดถือว่าเราของเราก็ไม่ได้ยึดถือผู้อื่นของผู้อือ่นเองก็มีแต่สังขาร ล, ล้วนๆปัญหาทั้งหลายก็แตกตระเด็นไปนิ ย, ยามปฏิสนธิที่จะไปสนธิ เกิดพบใหม่ของท่าน ก, ไาากปปนไ็ไม่มีใครบรรดาลให้สังขารเกิดขึ้นและแปรปวนระดับไปไม่มีใครบรรดาลสังขารเท่านั้น okay. หากเป็นเองของสังขาพร พ, พระพุทธเจ้าเกิดมาก็เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาก็เป็นอย่างนี้อันนี้จังทุก ข, ขังอน Monster ัตตาพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาก็เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าเกิดมาก็เป็นอยู่อย่างนี้ พระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนพานแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปด้วยทิ้งไว้ในโลกผู้ที่มาภายหลังก็งมาหลงกันอยู่นี่หลงอนิจจงว่าเป็นของเที่ยหลงทุกขังว่าเป็นสุขหลงอนัตตาว่าเป็นของตัวตนหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามคือสกนละรากาย เหตุนั้นจึงให้มีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งอยู่ที่สกลรกายจ้องดูอยู่เพื่อให้เห็นความจริงชัดลมเข้าละยาวก็ให้รู้จักว่าลมเข้ายาวลมออกสั้นก็ให้รู้จักว่าลมออกสั้นลมหยาบก็ให้รู้จักว่าลมหยาบลมละเอียดก็ให้รู้จักว่ารมละเอียด กายสังขารหายใจเข้ากายะสังขารหายใจออกความโฉวยอารมณ์สุขทุกข์หายใจเข้าความโฉวยอารมณ์สุขทุกข์ระเบียขาหายใจออกความจำหายใจเข้าความจำได้ไหมลู่หายใจออกความลู้ท ja e. ั้งหลายหายใจเข้าความลู้ทั้งหลายหายใจออก กายก็ so เป pues ็นแต่สักว่ากายหายใจเข้าเป็นแต่สักว่ากายหายใจออกเป็นแต่สักว่าความสวยอารมณ์สุขทุกข์หายใจเข้าเป็นสักแต่ว่าความสวยสุขทุกข์หายใจออกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหายใจเข้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหายใจออกมีแต่สักขานจากกองทุกข์เป็นแต่สักว่าผู้ลูกหายใจเข้า เป็นแต่สาวกผู้ลู้หายใจออกผู้ลู้ไม่ใช่ตัวตนหายใจเข้าผู้ลู้ไม่ใช่ตัวตนหายใจออกเราไม่ใช่ลมลมไม่ใช่เราหายใจเข้าท่าผู้อื่นเราไม่มีหายใจเข้าเราไม่มีฮะของเราไม่มีหายเราไม่มีหายใจออกของเราไม่มีหายใจเข้า ของเราไม่มีหายใจออกท่านผู้อื่นไม่มีหายใจเข้าท่านผู้อื่นไม่มีหายของท่านผู้อื่นไม่มีหายใจออกเราไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีมีแต่สังขารและกองทุกข์ทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วยทางช่นนีเน้เป็นทางไปทางรัดไม่ใช่ทางโค้งเป็นตัวศีล เป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเป็นตัวนิพพิทาเวราคะเวหมุดวิสุทธินิพานไปในตัวสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเองแปรเองดับเองไม่ใช่เราทำให้มันเกิดไม่ใช่เราทำให้มันแปร ى, ไม่ใช่เราทำให้มันดับเป็นเพียงเรารู้ตามมันจริงเมื่อเรารู้ตามม็นจริงแล้ว ก็จะปล่อยวางเองความดีความชั่วไม่มีผู้ชายผู้หญิงทาทั้งหลายแท้ๆไม่มีผู้ชายผู้หญิงมีแต่ดินหน้าไฟลมประชุมกันเป็นกายเทว่ารูปมีแต่เวทนา ท, นาทาัญญาทั้งขาทวิญญาณเป็นลูกขันนามขันไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายในทางปรมัติ์แต่ในทางสมมุติก็ต้องมี สม a, of of สมุติก็จริงตามสม <MUSIC S 2> สมุติไมาได้คัดค้านมิม <anka> ุติก็ตามเป็นจริงมิมุติก็ไม่คัดข้านอดีตอนาคตก็มีจริงตามอดีตอนาคตก็ไม่คัดค้านแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอดีตอนาคตเนอปัจจุบันก็มีตามจริงปัจจุบันแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของปัจจุบันอีกละแต่อาศัยปัจจุบันเป็นเครื่องนำเนินถ้าไม่อศัยปัจจุบันเป็นเครื่องนาเนิน ก็ไม่มีตัวศีลก็ไม่มีตัวสมาธิก็ไม่มีตัวปัญญาถ้าพุทธพระธรรมพระรสงค์ทรงอยู่ที่ปัจจุบันจึงอาศัยหลักปัจจุบันเดินมัรคเดินศีลเดินสมาธิเดินปัญญาปัจจุบันเป็นอาจารย์เดิมเป็นพระสัมมาทัาุทะเจ้าทั้งหลายมารวมอยู่ที่ปัจจุบันพระธรรมทั้งหลายมารวมอยู่นี่ปัจจุบัน พระพุทธศาสนาทั้งหลายมารวมอยู่ที่ปัจจุบันจึงได้อาศัยปัจจุบันเป็นเครื่องพิสูจน์ดินรวมอยู่ในปัจจุบันแล้วน้ำรวมในปัจจุบันแล้วไฟรวมในปัจจุบันแล้วลมรวมในปัจจุบันแล้วพุทธธรรมส ร, รวมลงในปัจจุบันแล้วแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์รวมลงในปัจจุบันแล้ว เกเรทั้งหลายก็รวมในปัจจุบันถ้ายังไม่พ้นถ้าพ้นแล้วก็รวมอยู่ในปัจจุบันอเองวันกันถ้ายังพยายามอยู่ก็รวมอยู่ในปัจจุบันอีกเหมวันกันสมาธิตั้งมั่นในปัจจุบันศีลตั้งตัดศีลลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันสภโระทั้งปวงรวมลงในมาในปัจจุบั น, นโรกแล้ว ข้ามปัจจุบั น, นโลกได้ก็เรียกว่าข้ามโลกได้ไม่สําคัญคันตนว่าอยู่ในปัจจุบันไม่สําคัญว่าปัจจุบันเป็นตนไม่สําคัญว่าตนเป็นปัจจุบันก็คือข้ามโลกเราดีๆนี่เองเพราะโลกอดีตโลกอานาคตโลกปัจจุบันรวมลงลงมาในปัจจุบันแล้วสัพทุกข์ทั้งอดีตอานาคตก็รวมลงในปัจจุบันแล้วถ้าอย่างนั้นมันก็กระจุยกระจาย เสียนสมาธิปัญญารวมลงในปัจจุบันแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมลงในปัจจุบันแล้วนาคบายท้าพ ว, วงกูรหานท่าพ ว, วงโลหมลงในปัจจุบันแล้วพรหารลงในปัจจุบันแล้วจับอยู่ที่ปัจจุบันเป็นกรรมฐานเป็นฐานที่ตั้ง สติปัญญาที่จับอยู่ในปัจจุบันเป็นสติปัญญาที่มีกําลังมากและแม่สงสัยด้วยผู้เห็นลมผู้เห็นลมเข้าออกอยู่ไม่มีกลางวันกลาคืนกินเลสมันจะมาจากประตูไหนความหลงจะมาจากประตูไหนกายสังขารวาจีสังขารจิตตะสังขารรวมลงใ น, นแล้ว กายานุปัสสนาก็รวมลงในปัจจุบันแล้วความหลงจะมาจากประตูไหนกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารรวมลงในแล้วกายานุปัสสนาคอรวมลงในปัจจุบันแล้วเวทนานุปัสสนาความสุขทุกขเวขาก็รวมลงในปัจจุบันแล้วจิตตานุปัสสนากิตที่เต้ามองหรือผ่องแผ้วคอรวมลงในปัจจุบันแล้วธรรมานุปัสสนาก็รวมลงในปัจจุบันแล้วตกลง สติปัฏฐานสี่ก็รวมเป็นเทือกเชือกสี่เครียวอยู่ในปัจจุบันเลยมากแปดสัมมาทิฏฐิก็รวมลงในปัจจุบันสัมมาทัตโปคก็รวมในปัจจุบันกรกร ม, กมัตัวอาชีววิญญาณสติสมาธิก่อนเดียวกันไม่ต้องสงสัยหาจับเอตัวปัจจุบันเป็นตัวพยานเอกเป็นตัวประกันเป็นเครื่องพิสูจน์ เป็นกรรมฐานเดิมถ้ารู้ปัจจุบันชัดอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ยืนยันวปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันแล้วอดีตอนาคตก็ไม่เป็นพิษก็ไม่เป็นปัญหาเนีไยก็รู้ตามเป็นจริงเท่านั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในปัจจุบันแล้วสิ่งที่ล่วงไปแล้วโลกอดีตหรือสังหานอาดีตหรือทำที่เป็นฝ่ายอาดีต ไม่ต้องฟังไปตามโมหารกรรมฐานอันหนที่เคยเพ่งพินิตรอยู่ในปัจจุบันก็จงเพ่งพินิษ์อยู่ในปัจจุบันของตนนะเรียกว่าฟังเทศถูกเรียกว่าฟังเป็นพิจารณาเป็นถ้าไม่เชื่อทาคำสอนคุโรมาสสตาในปัจจุบันนาิดปัจจุบันนั่รา พระพุทธเจ้าองค์ไหนมาเทศก็ไม่เชื่อดอกแล้วก็ไม่ พ, นพ้นความสงสัยอีกด้วยแล้ะก็ไม่พ้นกล่าวตูตนอีกด้วยกล่าวตูตนก็คือกล่าวตูพระพุทธศาสนานั่นเองเพราะพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตนพระธรรมศาสนาก็เหมือนกันพระสังฆศาสนาก็เหมือนกัน นอนหลับพร้อมกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอนอยู่ด้วยกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพร้อมกับโลมหายใจเขาออกแล้วนอนอยู่ในอู่ความอู่ของสติอู่ของปัญญาอู่ของ พ, าาพระพุทธศาสนาเพราะศาสนาอื่นไม่มีโลมหายใจเขาออกไม่ได้บอกกันศาสนาพุธทธเท่านั้นไม่ลมหายใจเขาออกเป็นาฐานเลิศ เป็นพระอาจารย์เลิศเป็นพระสติเลิศเป็นพระปัญญาเลิศเป็นสติสัพชัญญเลิศจะมีกี่หมื่นกี่แสนก็าตามกี่ล้านก็าตามก็ย่นลงมาที่นี่พอมาย่นลงมาที่นี่แล้วก็มันกระจุยกระใจลมหายใจเขาออกนี่ท่านผู้ใดเจริญดีแล้วกายและจิตของท่านผู้นั้น ก็ไม่หวั่นไหวบุคคลผู้สะดุง้งเหมือนเหื้อสมังในป่าทศของเขาไม่เจริญยอบสะดึงตกใจตูมลงมาอย่างนี้อย่างนี้คนนั่นสติไม่อยู่กับตัวถ้าสติอยู่กับตัวแล้วจะตูมลงมาขนาดก็ไม่สะดุง้งเดินไปเดินมาก็เหมือนกัน มักกลุงกับนั่นชนนี่ก็เรียกว่าสติไม่อยู่กับตัวถ้าจเจริญลมหาใจเข้าออกดีแล้วสติก็ต้องอยู่กับตัวละไม่พลาดละถึงพลาดก็มีประตูกแก้ปัจจุบันนัทธรรมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารวมอยู่นี่แล้วพราเราเอามารวมเพราะพระสติพระปัญญาของเราพอใจเอามารวมไว้ ผลทานผลศนบ้นภาวนาก็ตามทรัพยคุณทั้งปวงในโลกก็มาอยู่ที่ปัจจุบันเลยจะไปเห็นอะไรก็ตามอย่าไปทิ้งปัจจุบันเพราะเอาจาปัจจุบันเป็นเป็นแม่เลียเป็น พ, พระพุะธรรมประสงค์เป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเป็นตัวนิพพิทาเวราคะววมุติสุดทีินิพพานด้วย หายใจออกเลหายใจเข้าไม่ดังหายใจเข้าก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่งหายใจออกก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่งหายใจเข้าลมกระทบที่ใดก็จับไว้ที่นั่น หายใจออกลมกระทบในที่ใดก็จับไปทีนั้นจะว่ายุบหนอพองหนอเรื่มไม่ยุบก็ว่าก็แล้วแต่หรือจะว่าคึ้มาอานหังหรือไม่ว่าก็แล้วแต่หรือจะว่าพุทธโธหรือไม่พุทธโธก็แล้วแต่คอยมีสติอยู่ในที่นั้นเป็นแต um. ่ส um. um. ักว่าลมเป็นแต่สักว่าผู้รู้ว่าลมลมเพื่อจะถอนอุปาทานเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ หายใจหายใจออกแล้วหเนาะหายใจออกมันก็ร่วงไปร่วงไปมาเดี๋ยวนี้นี่ต้นลมเนาะหนเนาะเปลี่ยนอะไรเห็นต้นล ม, นนน เ, นนลมเห็นกลางลมเห็นถ่ายลมของวิูในห้ามันเปลี่ยนยังเสียเพราเห็นนต้องอ่านเห็นเขามันมีของแมนเนาะ แต่จะไปยืมพองพูดอะไรพูดนี้นวาเ้ากัสีบอเห็นเลเพราะยากเกงใจเพล น, นยื้อเร่าเข้าไปยังสีบอเห็นร่วมไปร่วมวมิญญาณถึงมมันเห็นอยู่ลองตัวเดี๋ยมันหอไปคือพโมกข้าราชกานเลยขะนั่นงเขาเลยอยากหอไปรถแล้วสิไปเอายังหอะสีบอหอบเอายังมากเขา อ, ออกขีดินมากขีดินขีิแตกสล้ายไปเือกันตัว ดำหน้าเหมือนกนหน้าขวิตเตะสลายไปให้กันดีกว่ตหน้าเหมือนกนหน้กขวิตเตกสลายไปให้กันเลยคือไปอากาศไม่เห็นเทวดาซุกอย่อากาศก็มียอยู่นี่เขาจอตายไปให้กันดีว่างบอกรอดิททรทุกคนหลงจากของมให้ติดอยู่ในบันไดให้หรู้จำเป็นจริงมด่อให็ลมหายใจเขาออกแล้วเเห็นมืนลอไรรกางี่ยต้องการเห็นอะไรฉันไม่เห็นลมหายใจมันก็ม่เห็น คนๆเพราะว่าขจิตมันร่วมน่ะมันเห็นร่มนอกสันโอ้ยเขาเห็นตั้งแต่เขาที่แรกสันโตเขาก็ที่ว่าบอกว่าเราอ่งนสันขจิตมันร่วมในสกุลร่างกายมันยังเห็นลูปบอกลูเขาดอกสันโอ้ยบอกสันบอกตัดันบ่ลกหอดเหมือนตายอะตอนนี้ชักร่วมบืร่วมมันเห็นหนวดเจ้ต้องการพี่ว่าเวียนไปเจ้าตองการเนาะคนดังโผไปหลังเสียวผมเห็นผมบอกมันดังหมาไหย น้ำดมขีนี่คือหูวกินกรบอกู้วจักกรบอแม่นแนั้นมตั้งใจเอาให้มันหจับผมพยาจะหัจับก็ตั้งใจมันมีอยู่ตั้งค้อมตั้งใจก็ควมจะตังสติกับตั้งส้พรญะะนั้้ตัวผ่านเดี่ยวกันนางเพื่อให้มันหายนางเวลาเราขี่ขาดเรานางรู้ฮักนั่งเฉียมันเศ้าขี่ขาดเราพระเจ้าพระว่าเวลาเรานอนอยมันขี่ขาดฮันอนใจมันเช้าขี่ขาดเราพระน ปกติเจ้าเขานั่งอยมันย่ยานนะารัเาก็นกั่งเขียนมันเศาะะ้าย่านปกติเจ้าเขายืนอยมันยานนะเขายืนเพื่อจะเศาะะะ้าย่านนะเขานอนอยบันย่ยานเขาก็นอนจขนเศร้าย่านเหมือนวันพระโลกแท้ั้งเป็นว่ามีท่เกับเครื่องูของคิดของกจของสติของปัจญัาทําก็จะส่งขค้ืนให้ทํายิดตก็จะส่งคืนให้ยิตผูรูก้ก็จะส่งคืนให้ผู้ของความครูาใจขอ รมมันจะส่งขึ้นโม่ร่มหายร่มบัม ว, ว่าช่ไปยืนยันร่มวาเป็นตนตนเป็นร่มความนึกความคิดกับธีมอภัยความนึกความคิดเมื่ได้ยืนว่าคนยืนยันว่าความนึกความคิดเป็นเล่าเล่าไปคนามนึกความคิดคดวามนึกความคิดมันเป็นจิตตาสังขารมันเป็นวิชีสังหารเนี่ยเวทนาสัญญามันเป็นจิตตาสังขารมันเกิดขึ้นมันกระดับเรี้ยวคือกันชุดทิ่ส่งใจว่าใช่เมื่อเกิดขึ้นต้องรับบัด แปรปวนบ ว, ว่ากระคาซารับเอาตนก็ปล่อยก็ได้หรือรับเอาเทคว่อมรับก็ได้เขาเนึกว่เสนละบนระบาดมันควรดับเป็นคือกันอารควมเกิดดับต่อพระพุทธเจ้าสอนมันเพือจะหนาหลายขโมงมันเป็นนิยานิกระท่ำนําสัตว์ทั้งหลายออกจากควมหลงเจ้าของเลยโดยใจควบเพื่ออ น, นิจังคนเห็นอ น, นิจจงชัดมันก็เห็นทุกข์ชัดที่กันนันมันก็เห็นอนัตตาอันบ่เป็นชัดว่ามันบุคคลชัดที่กันน่น ถ้ามาเทศนาของพุทธเจ้าท้ามาสมาสั่สูงกับมิตร อ, อ, อนนี้จังทุกครั้งอนาตตาตอนเหลือดัง น, นโนแมนเหลืออันมันเป็นเรื่องขึ้นของพวกนี้วัด น, นี่บองสั่งมาสังขาทั้งร่างก็เป็นเรื่องขึ้นอันนี้วัดนีน่ทาว่า ล, ลงังขาแล้วก็จะหลงยังก็ลูดแกงพระเนี่านท่านนั่นแหละพระเนี่ยผ่านว่าเป็ังขานเนี่ยว่าเกิดบารับเด้่ยยุ่วฟากผู้ลูกไปค น, น, นสาคัญว่าลูกี่เอาผู้ลูกว่าเป็นพระเนี่ยผ่านจานังวงแอง ทลูดีรู่ชาบกับทนลู่จะฝนจากผู้รู่ซือจะยืนยันว่าเอาผู้ลู่มันเป็นพระเนปาลเอาพระยนปาลเป็นผู้ลู่มือ น, นแพงไก่กันอโข ล, ละเพระไรล่ะเามเมวันหมายพระเนปานขันไม้ก็เป็ น, นทั้งถามใช่ไหม่ว่างได้ไัมข้าไม้กับพันเหมือนนี่แหละพอมันหมุนนี่แหละว่างใช่ไหม้าไว้ไกไม้ควมว่มมาเาเดินมากซื้อๆ อ, อันนี้ สวนพระนิพพานแท้บําเ่็ญเนียที่หมายเมื่อใดมายืนมาเดินมานั่งมานอนมานื้มากิดมาฟังนําพูห้าพูเฮ้าเนี่ยพระนิพานเมื่อใดมาสมมติว่าเป็นศูนย์บ่เป็นศูนย์เนี่ยองก็พูเฮ้านี่ที่พูเฮ้ามาสมมติกันบ่ายคือลายอันลายแน่วพระนิ้พานมื่อวันเมาเกี่ยวของกับมูเฮ้านี่ยม่อเมาเกี่ยวของกับสมุดเรามีมุดอย่างเมื่อวันเสเป็นเพทสาวมุตุอยู่เมื่อวนเมาเพทเป็นเพรสาวสมุดเมื่อว่นเมาเป็นเพทสาวผู้ลูอยู่ อัน้องเป็นเพจาผูรู้ยัดิ่กับไม้ก้อนสิพี่จะหน้ามันเบือนายผู้รู้เรอยเนี่ยมันอยากลําผูรู้ที่เรี่ยกขันลู่กระช่างดีมันก็เป็นท่างเจริญมันท่างเขาซูพนธพานขันลู่กระช่างซัวมันกับเป็นท่างล่องมลหกก็นถึงพันธ์พานเว่ามันผูรู้อะไมันขามไปละม่ได้มาจะถือผูรู้ผูรู้เบืองต้นก็ต้องอาศัยผูรู้สักก้อนอาศัยปัจจุบันผูรู้ ไปในทางดีว่าสั่นกันบไม่มีบอปฏิวัตินิมิตนิมอยทั้งหลายเมื่อแต่อำนาจอันยังเมดขึ้นเกิดขึ้นมาหลักกรแปรปวนได้แต่สลายเมือนิมิตแปะวั้างไม้ได้ไม้ไว้ได้ลูกเกิดเกิดดับเปล่นทกัมไม้ไว้นด้น่าเกิดดับเปล่นกสังมไม้ไว้ได้ดินหน้าไฟลกหมดเกิดดับเปล่นกันมไม้ไว้ได้คว้มหนึ่งควมคิดเกิดเกิดดับเปล่นทกสัมไม้ไว้ได้คิดเกิดเกิดดับเปี่นกันคมิดก็เกิดดับเป็นอยู kadın, ่ schlecht, เกิดดับเรี่วควมรู้ละเพระ ติดต่อกัอนจเป็นพืชนพราะเนยผ่านกว่ยุคฝากจิตปุดยิดเป็นหนท่าขัดสู้เพราะเนียผ่านพูลูเป็นหันท่าขัดสูพราะเนพ่านพูดีรูซอบยึดกันขึ้นกันพระเดียเจ้าเพิ่นเอาพูลูออกมาใ่เพิ่นเอาจึตออกมาใส่เพิ่นจามาใส่ซื้อเพิ่นิที่เป็นเพียริึอย่หันโง่สั่นขันมเห็นอสั่นเศร้าหรกเขาใ่ไอ้สั่นเขาโมจักขั้วไม้นยได้สั่นเนี่ว่าผ่านน่นเลย หิวน้ำเราก็ทักน้มาให้ว่าเข้าให้เากินได้ว่าสันเขาหิวน้ำว่าันคาว่าสันพานุ่นกับงวกจ้างเด้่ยค่ายกับ่ารถคันนี้มันหมอน้ามันหัวแล้วน่นเลยให้โตไปตักน้ามาใส่หมอน้ามันหมดแล้วไปตักหมอน้าไปตักน้มาใส่หมอมันไดรถคันนี้ค่ายกับ่าสันละอ่พาจีว่าฮาม่าอ่ะพาสบงฮามาอ่บาฮามานี่ย ก็ว่าตามสมมุติเถอะสิคันตวาท่านกังเจ้าเอาอนัตตามาเอาอนิจจามาเอาทุกขังมาเอาอนัตตามาที่ว่าั่นบอกจน <c oughs> ว่า <c oughs> ถ้าพระพุทธเจ้าพอจะมีหลายเนี่ยท่านบอกมหาเมือมม่อไหร่เป็นววหารหมดเรือ ก, กันนี่ะเขียนมาแปลกเบื้องที่พระธรมขันธ์เนี่ยกับเป็นโัวหารที่อดีตที่รองมาแล้วอันอ น, นันเนี่ยนิทานนิทานของผู้นั้นเหตุจะหันของผู้นี้เฮ็ดด้วนี้ พระพุทธเจ้าสอนพวกนั้นทั้งสันุกชาพระพุทธเจ้าสอนพวกนี้เองเสียดเอามาร่วมกันไว้สนกอกเรื่องเก่ามาร่วมไว้แท้ๆผู้เหตุมันผู้ปัจจุบันนะคิดปัจจุบับนนะถ้ามองไฟมองมันผิดแลมันตัวพระไตรปิฎกแท้บอกสั่นว่ามันตัวศีลแท้ตัวสมาธิแท้ตัวปัญญาแท้อออันนั้นมันตำล่าอันนั้นพระไตรปิรกทั้งนอก อันปัจจุบันนะคิดปัจจุบันนะถ้ที่เขาเห็นเขาพิจารณานี่นี่มันตําราทางในนี่ยนี่มันตัวหักยาเนี่ยว่าตัวหมอยาที่เอาไปรักษาโรคอันเนี้อันนี้มันตํำราหมอยาตำราคุณหมออันนั้นซี่เขาว่านี่ยละไปใส่ไปดกแท้ยุเปรตเหมือนที่พระท่ามคันก็ออกไปจากนี้ละ่ะก็ไปเขียนให้พุ่นท่านเขียนให้พุ่นเอาไปอ่านพุ่นประเดนองเขามาพี่อีกทุกนั่นโอพันได้เยอะโง่ัารว่า สั่งผู้ใดท้องในร้ายก้ก็เป็นพระละหันท้องในอัศจรรย์พระเยยได้ร้ายพระกบด้หลายท้องมาดูสูตรนั่นสูตรนี้สูตรุยก็สูตรตาสูตรหูสูตรจมูกสูตรลิ่นสูตรกายสูตรใจพระสูตรพระลรมัดกัมัดเขาในตาหูจมูกลนกายใจมัดเขาในใจวันเดียวคนี่ในปัจจุบันคิดปัจจุบันาวันเดียวมันจักสิบงมันจักเ็นยนายนี่ มัดองคุ้มเขาเป็ง่ายเาลยดอกพรชักจะขอบเรามัดเขาไว้เพอเดียว ย, ยนี้เลยแล้วสัตวมันจะพอเห็นอนดีหน้าคโคตรเก่ามากเก่ามามัดเขาไว้แล้วฮัลโอันเห็นในปัจจุบันในมันท้องไส้รล้วฮัลโก็เป็นจะสักว์เห็นเป็นสัตว์รูดสวเก่าอันนวาวสันน่ารลดมันก็ไม่มีวันว่หลายด้วยฮนีโหก็จริงมันเป็นสัน่นอยู่พระพุธธทธศาสนาไม่ซ้ำหนาว้าวไฮร้า ย, ายก็ร้ายอันเน บอกไลมันก็ไลายออกจากผู้ว่าเนู้ว่าให้หน้อยมันก็น้อยลงมาหาผู้ว่าเนี่กังหวสินับไปทั้งเมือนทั้งแสนก็นับเจนึงอห ล, ละสิยนลงมากก็นยนมาหาหนึง่งอนัเอาราคาเนี่ยเมื่อไรละหนึ่งพุทธหนึ่งถ้ำหนึ่งสงส์อว่าอะไรหนึ่งยังไงเนี่ยในปัจจุบันพระพุทธศาสนาใน ป, ปัจจุบันปัจจุบันพุทธปัจจุบันนับมปัจจบุบันนับสงส์บอกจังหวะอรุว่า อดีตเป็นในท่าของปัจจุบันเนาะอนาคตก็ับในท่าของปัจจุบันเนาะปัจจุบันไปหลงในท่าจะของซื้อได้เหรออนาคตจะของปรุงไปแต่พัดไปหลงจะของปรุงขึ้นน่พัดไปหลงจะของถ้าไม่แท้มันก็ไปกากปัจจุบันอย่างเนี้ยเราทักอรรถว่าอะไรไปคุไปสมมุติอดีตอนาคตกัมันผู้ปัจจุบันนี่ยก็ค่ไปไปสมมุต uh like so ิสิ ตองไปฟ้องพระจันไปฟ้องอดีตไปฟอ้องอนาคตตองไปหลงอดีตอนาคตตสมมติขึ้นใส่ตัวของหลงสุกเส้นทุกยางโมเมของผู้ใหญ่เว้ยแค่ห้องไม่หยาดหยาดยดมคนซือ่อา้าได้ <laughs> <laughs> ยาดคนื้อคคิดกันหยาคบนคิดกักรรมโอ กอะไ่เมา ว, าว่ามันกูเห็นที่จะไปพูดคุยธรรมเพราะว่าเพราาเขาเม า, าเรามึงอย่าพูดมึงอย่าพูดที่คูพีพูดเพราะสั่นมึงพูดเพพอ ด, ดีเพาะสั่นครู ญ, ญาติมึงพูดมึงยากิูพูดถ้าไปแทรกกับมันหลงอารมณ์ก็บท่านเราว่านึกจำคนถวยเยอกว่านั้นจำคนถวย <c oughs> <c oughs> เดียวกันแล้ว เขาแม่ต่โลกรธาตุเนมันมแม่นองไสะคิดใจควาเห่าสิต่ละอาเด้บอกละอาคว่ำยึดคว่ำถือเออแม่ใต่โลกธาตุนี่ยดน้ า, าม้อยรมเ่ควำบมันบเทียงบะแม่นม้องไส้อะที่เห่าค่อยยึดถือว่าเห่าก็สิต่อยากอากของแนี่บอกเหาก็จิว่าอ่โเป็นบอกนี่ปัญหาของมันเออแล้เห่าเห็นสัตก์ คือขับไฟอย่างนี้ว่างคะแนนว่ได้บอกงานเลยมันอย่งว่างโรลดคำบรรค์จ้งมันห้อนเหรอไม่ไดิไปบอกคำบมันว่างเพมันขอาแจ้งมันกับ่ัว่างแล้วมันทำรถเสียรายยัจับคนล้วมันนี่ก็ไม่ยั้งสั่งน้ำเต็ยนสัมมิตธานดินนำพระร่มันจ้วได้ยังไม่ใช่สั่งเมื่อมันมาตายเมื่อมันมาตายไม่ร่มหอนใจยกว่ตีกงใตัวัน ก็ตีงไปตีงมาอะอยู่ก็มีร่มเหมนกันเศร้าร่มแล้วก็ตีงเไมไื่อไรเนี่ยเนี่ยก็มีไต่ดินน้ำใช้ร่มซะหนามาเบิ้งกันอยู่นี่ไม่นด้อย่างนั้นก็เพ้าะง่งายจิดตลาดเป็นผู้ ป, ปกครองแล้วไปใช้ก็ไปเห็นแต่ดินแต่น้ำช้าๆแต่ร่มแล้วไปใช้ก็เห็นแต่ของประมาณโมเทียงแตทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมีน่าเลยพอถึงมาตัวอยู่นี่ลอ ง, องฉันว่า ในโลกไม่ไม่ไส่สโลกเก่านนเดียวฮะใสังขารไม่ไม่ส่จะสังขารเก่าอันเดียวจะได้ทำไ่ได้ไม่ใส่ไม่ไม่ไสของเก่าอันเดียวไม่เที่ยวญาติขงพระเจ้าแผ่นดินกันนู่นี่แต่ไม่เห้าญาไปอยายามว่าตายวะสูสูสูกูรีกินแสีบเป็นังเป็ะป่าวเดีย สูสูกูได้กินนั่นแทบแทบเพรทันสู ส, ส, สูกูกินนั่นไปขีออกละวม่เหม็นน่ผัดหมี่ฟัวเดนบอกสูสูกูคนสวยเต็บแก่กูเพราะว่า เ, เป็นผู้สาวใหม่เลยลูกสองคนสามคนประดน้อมเช่าแมวแก้วปันบกบวบมดเสียงอรอดก้อนก <laughs> ็ เสียงอาลดฟุตเตอร์พื้นกันนะจะเป็นบ้าเพราะว่าตนว่าโตว่าเก็บจอฟันหักขม้าแหลมมัดเสียงเอาโลดอะยังมีซ่าเค็ดลามไปยังไงยังมีซ่าเค็ดลาบจับของอาจารย์เกิดอาจารย์แก้อาจารย์เก็บอาจารย์ตายเอ้ยยังให้คุกขามาเกิดแก้เก็บตายอีกเกิดว่าไงเนี่ยอาจารย์เกล็ดเราเลย กูขาเค็ดลับแนอ้หว